ลาขี้เกียจการละครั้งนึงนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆ เ, เขาซื้อขายสินค้าหลายอย่างเพื่อเงินเขาเลี้ยงลาตัวหนึ่งเขาเคยเอาของของเขาวางบนหลังของลาแล้วพามันไปที่ตลาดเพื่อขายของพ่อค้าดูแลลาของเขาอย่างดี เขารู้ว่าลานั้นสำคัญกับธุรกิจของเขามากลานั้นได้รับการดูแลอย่างดีและมีสุขภาพดีมันได้กินอาหารดีๆมันอายุน้อยและมีกำลังมันขนสินค้าได้หลายถุงและเดินไปที่ตลาดแต่มันก็ขี้เกียจมากๆลานั้นไม่ชอบทำงานเลยมันแค่อยากจะกินนั่งและนอนโอ้ oh. ตลาดอีกแล้วหัวหน้าทำไมไม่พักบ้างนะเราชอบวันหยุดมากแต่ว่าเขาไม่อยากจะพักผ่อนแต่ว่าฉันอยากแต่ลาไม่เข้าใจว่าเจ้าของของมันนั้นหยุดไม่ได้ถ้าเขาไม่ไปตลา ด, ลาดเขาก็จะไม่มีรายได้ลดและลาก็จะไม่ได้กินอาหารด้วยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด พ่าจะขายอะไรหลายอย่างต่างกันทุกๆวันมเมล็ดพืชท่านเหยือพืชผักเครื่องเทศรวมไปถึงผลไม้เขาเคยพาลาเดินไปจากหมู่บ้านทุกวันแต่และ ว, วันเพื่อที่จะไปถึงตลาดเขาจะต้องข้าแม่น้ําเขาดูแลลาของเขาอย่างดีในขณะที่ข้าแม่น้ําวันหนึ่งเพื่อนของเขาคนนึงบอกพ่อค้าว่าตอนนี้ตลาดต้องการเกลือมากมาก คุณที่บอกกนันนะเพื่อนฉันจะต้องเริ่มขายเกลือแล้วละหลังจากนั้นเขาจัดหาเกลือมาได้12กระสอบเอาไว้ขายเขาเอากระสอบทั้ง6วางบนหลังลาหลังจากนั้นเขารู้ว่ากระสอบมันหนักเกินไปจนลาเดินไม่ได้อ๋อน่าสงสารบรรจันหลักเกินไปนะเอาละฉันเอาออกสักกระสอบดีกว่า เ, เพราะเขาไม่อยากจะทำให้ลาหนักเกินไปเขาก็เลยเอาเกลือออกไปกระสอบหนึ่ง hmm. ถึงอย่างนั้น hmm. ลาก็ยังไม่ยอมเดินทาง hmm. Hmm. พอค้าแค่ลาของเขามากแต่เขารู้ด้วยว่าลานั้นขี้เกียจเขาจึงเอาไม้มาฟาดลงบนหลังของลาอ oh, แล้วเข้าอย่างขี้เกียจนะ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 และวางบนหลังลาลาจะต้องขนเกลือบ้างก็ห้ากระสอบบ้างก็หกกระสอบไปที่ตลาดถึงแม้ว่ามันจะไม่พอใจแต่ลานั้นจะชอบเสมอตอนที่กลับบ้านเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าขายเกลือจนหมดแล้วลาก็ไม่ต้องขนอะไรกลับไป ไม่กี่วันผ่านไปวันหนึ่งพ่อค้าเอาเกลือ6กกระสอบวางบนหลังลาและออกไปที่ตลาดเมื่อพวกเขาไปถึงแม่น้ำพ่อค้าเห็นว่าตอนนั้นน้ำสูงกว่าปกตินิดหน่อยเอาละวันนี้เราเดินท้าทาหน่อยนะฉันม่อยากจะลื่นแล้วก็ไหลไปกับสายน้ำนะเมื่อพวกเขาเดินผ่านแม่น้ำไปหลังจากนั้นเจ้าลาพ่อลื่นล้มและขาพัดลงไป อ oh oh. พ่อค้าสามารถดึงลาขึ้นมาและข้าแม่น้ำไปไนดะ้ลากลัวและตกใจมากๆแต่หลังจากนั้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างโอ้ตายแล้วหลังเราังมีกระสอบอีกแต่ทำไมมาถึงเบานักเนี่ยดีเลยแม่น้ำนี้เขามีอำนาจอะ ม, ามาลาไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นไม่มีพลังวิเศษอะไรหรอกตอนที่มันลื่นลงไปในแม่น้ำมันทำให้เกลือที่หลังของเขาละลายมันทำให้ลารู้สึกว่าหลังมันเบามากไม่มีเกลือเหลือในกระสอบอีกเลยโถยที่พยายามมาพังหมดเลยแล้วเราจะขายอะไรดีเนี่ยแต่ดีแล้วที่ลาไม่เป็นไร ตอนนี้เราจะไปตลาดก็เท่านั้นนะ่ะนะกลับบ้าน ด, ดีกว่าอล่อยนาะไม่ต้องกดของแล้วไม่ต้องทำงานแล้เหรอนี่มันเว้นหมอนชัดดเลยดีมากดีมากหลังจากที่กลับบ้านไปลาก็มีเวลาทั้งวันให้พักผ่อนลามันกินและนอนทั้งวันทั้งคืนลามีความสุขมากวันถัดไป พ่อค้าก็เอาเกลือหกระสอบใส่บนหลังอีกแล้วเดินไปที่ตลาดโอ้เมื่อวานนี้มันดีมากเลยวันนี้เราต้องกลับมาทำงานอีกแล้วรนเดี๋ยวนะเราโดนงานได้ไแค่ทําให้เกลือบนหลังเราหายไปเราก็จะได้กลับบ้านเหมือนเมื่อวานไงน้านั่นน่ะมีเวทมนต์ มันใจว่ามันจะต้องช่วยเราได้อีกพาะคาไม่รู้เจตนาของลาเขาเริ่มเดินข้ามแม่น้ำอีกครั้งและเมื่อเขาลงไปในแม่น้ำลามันรีบเดินหน้าก่อนแต่ก่อนที่ลาจะถูกหยุดมันก็ลงไปนั่งในกิ่เลื้อกับที่มันล้มลงโอ้ทำอะไรนะเจ้าโงรีบขึ้นมาเลยแต่มันสายเกินไปแล้วเกลือบนหลังลาละลายอีกแล้ว ตอนนี้กระสอบไม่หนักอีกต่อไปลารู้สึกมีความสุขนี่ไงไม่มีผาละไม่ต้องทำงานนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่้ เ, เดี๋ยวนะเจ้าลานี่มาตั้งใจนั่งในแม่น้ำเงินโอ้มันเป็นสติขี้เกียจมากเราสุสาแขมันแต่มันตอบแทนเราแบบนี้เงินพามันกลับบ้านดีกว่ารู้แล้วว่าจะต้องทำยังไง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 สดีพ่อค้าเดินไปที่แม่น้ำอย่างเงียบเงียบโอ้นั่นเงยเวทมดต์ของเราในขณะที่ข้าแม่น้ำมันก็ลืดที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วลงไปนั่งถึงอย่างนั้นวันนี้พ่อค้าไม่ช่วยมันขึ้นมาเมื่อลาพยายามจะลุกขึ้นหลังจากนั้นเอาไม่หลังชน นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมหลังเราถึงหนักมากแย่จังพ่อขาฉลาดมากเขารู้ว่าลาพยายามจะหลอกเขาอีกครั้งนี้แทนที่จะใส่เกลือลงไปในกระสอบเขาใส่ไายลงไปเมื่อลาลงไปในน้ำไส้ก็ดูดน้ำแล้วหนักขึ้นแย่ที่เราจะหลอกท่านได้เหรอ ตอนนี้แกต้องเดินไปตลาดแลว้วก็กลับบ้านกับกระสอบทั้งแโอไม่นะมันหนักมากหนักมากเลยหลังฉัลารู้ว่าน้ํานั้นไม่ได้มีเวทมนต์มันเอาฝ้ายกระสอบไปที่ตลาดแล้วกลับบ้านหลังจากนั้นเป็นต้นไปลาก็าไม่กล้าที่จะนั่งในน้ําอีกเลย